สำหรับหลายคนนะวันนี้ก็เป็นแค่วันหยุดวันหนึ่งที่บังเอิญนะหยุดยาวเป็นวันที่ได้ไปเที่ยวสนุกสนานหรือว่าได้กลับไปเยี่ยมบ้านพ่อเปาะพ่อแม่สําหรับชาวพุทธเนี่ยวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งเลยทีเดียววันแบบนี้เนี่ยปีหนึ่งก็มีแค่ไม่กี่วันวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชา แล้วก็บรรัทบูชามันอย่างนี้มีความสาคัญนะเพื่อเตือนใจให้เราระลึกว่าเราเป็นชาวพุทธคนส่วนใหญ่เนี่ยนะในเมืองไทยเนี่ยแม้ว่าจะนับถือพุทธศาสนาแต่ว่าบ่อยครั้งก็ลืมไปนะว่าตัวเองเป็นชาวพุทธไปนึกว่าตัวเองเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่มันสำคัญมากหมายกับความเป็นพ่อเป็นแม่บางคนก็ นึกแต่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นชาวไร่าชาวนาเป็นพ่อค้าเป็นนักธุรกิจเป็นหมอก็พอเราลึกได้เท่านี้ก็คิดแต่เรื่องการทำมาหากินหรือว่าทำมาหาเงินจนลืไมไปว่าเนี่ยเรามีสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะที่เราเป็นอยู่นะคือเป็นชาวพุทธ เมื่อก็ตามที่เราเราลึกว่าเราเป็นชาพุทธเนี่ยนะเราก็จะรู้สึกอบอุ่นใจนะเพราะาเรามีสารณะอันประเสริฐหรือพอเราลึกได้ว่าเราเป็นชาพุทธก็จะตื่นใจว่าเนี่ยเรามีที่พึ่งอันประเสริฐนะคือพระรัตนตรยัยอันนี้สำคัญนะเพราะพอเรามีหรือรลึกได้ว่าเรามีที่พึ่งเช่นเนี่ยที่เราเรียกว่าสารณะเนี่ย มันก็จะน้อมใจให้เราเกิดความมั่นใจในบุญกุศลในการทำความดีเตือนใจให้เราคิดดีพูดดีทำดีแต่ถ้าเราเนี่ยลืมไปว่าเราเป็นชาวพุทธนึกแต่ว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นลูกมันจะคิดอีกแบบหนึ่งนะ อย่างคนที่เป็นลูกเนี่ยพอเรืว่าในฉันเป็นลูกเนี่ยก็จะเอาพ่อแม่เนี่ยเป็นที่พึ่งถือว่าพ่อแม่เป็นที่พึ่งแทนซึ่งก็ดีนะถ้าพ่อแม่เนี่ยสอนให้เราทำความดีแต่หลายคนเนี่ยมองพ่อแม่เป็นแค่ที่พึ่งสำหรับเอาเงิน อยากได้อะไรก็ขอเงินพ่อแม่พอพ่อแม่ไม่ให้ก็เสียใจน้อยใจหรือว่าพึ่งพ่อแม่จนกระทั่งไม่คิดจะพึ่งตัวเองอยากได้อะไรก็ขออย่างเดียวและพ่อแม่เนี่ยแม่จะเป็นผู้มีคุณงามความดีกับลูกนะแต่ว่าก็เป็นที่พึ่งอันปรเสริไม่ได้เพราะว่า สักวันหึงพ่อแม่ก็ต้องจากไปพ่อแม่ไม่สามารถจะอยู่คําฟ้าได้ซึ่งต่างจากพระรัตนตรัยนะสามารถเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเราได้ไปตลอดชีวิตพระรัตนตรัยไม่มีดับนะมีแต่เรานั่นแหละนะที่จะไปก่อนแต่ถ้าเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะเราก็ไปดีนะหลายคนก็ นึกแต่ว่าเนี่ยฉันเป็นชาวนาวชาวไร่ฉันเป็นนักธุรกิจฉันเป็นข้าราชการนะฉันเป็นพ่อค้าความนึกแต่แค่เนี้ยนะมันก็ไม่เพียงแต่ว่าจะคิดแต่เรื่องการทำมาหากินแต่บางทีก็ไปเอาเงินเป็นสัลน่ะคนเรานี่ถ้าเอาเงินเป็นสัลน่ะนี่นะถือว่าได้ที่พึ่ง ที่ไม่ประเสริฐเลยเพราะว่าพอเอาเงินเป็นสาระบางทีกลายเป็นพระเจ้าไปเลยเอาเงินเป็นพระเจ้านี่มันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องทำอะไรนะคิดแต่เรื่องเงินเรื่องทองทำงางจะมีเงินเยอะๆทำงางจะได้เงินมากๆและบางทีเนี่ยเงินเนี่ยมันกลายเป็นนายเราแล้วเราก็กลายเป็นทาสของมัน พเรากลายเป็นทางของมันนะเราก็พร้อมจะทําทอะไรก็ได้เพื่อเงินทําชั่วก็ได้ทุจริตผิดศีก ล, ลก็เพื่อเงินปนจีลักขโมวก็เพื่อเงินค้ายาก็เพื่อเงินหรือบางทีก็ทรยศหักหลังเพื่อนก็เพื่อเงินบางทีก็ทําร้ายพ่อแม่ก็เพื่อเงินท่านใครที่เอาเงินเป็นสารน้านี่ นะเรียกว่ามีชีวิตที่ไม่ดีสักคนแล้วก็จบไม่สวยด้วยแต่ถ้าไม่ก็ตามที่เราเราลึกว่าเราไม่ใช่เป็นเพียงแค่พ่อค้านักธุรกิจเป็นชาวนาชาวไร่เราเป็นชาวพุทธด้วยนะจะนึกถึงพระรูปเจ้านึกถึงพระรตนะไตเพราะนั่นนะคือสารณะนับถือพระรตนะไตเป็นสารณะอันประเสริฐก็จะแต่เรื่องดีๆ เวลามันคิดร้ายอยากจะด่าอยากจะทำร้ายก็รู้ว่าไม่ต้องมีความคิดอยากจะลักขโมยอยากจะทุจริตแม้มีโอกาสก็ไม่ทำนะเพราะว่ามันเป็นการผิดศีลผิดธรรมจริงๆบางคนเนี่ยถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเนี่ยนะก็เพียง ถ้ายึดถือเพียงแค่ว่าเป็นที่พึ่งทําให้อบอุ่นใจมีภัยอันตรายแล้วก็ก็หวังว่าพระรัตนตรัยหรือพระบรารมีของพระเจ้าจะคุ้มครองอันนี้ก็ดีอยู่นะมันทำให้เกิดความอบอุ่นใจมีความหวังแต่เท่านั้นไม่พอนะต้องนึกถึงคําสอนด้วยนึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนว่าเนี่ยให้คิดดีพูดดีทําดี อย่าคิดร้ายอย่าคิดชั่วไม่ว่าในทางโลกหรือในทางโกรธนะเวลาโลกขึ้นมาก็เตือนใจแล้วว่าเนี่ยมันไม่ถูกนะพระพเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นมันไม่ใช่แค่รู้ว่าพระเจ้าไม่ได้สอนแต่รู้ว่าทําอย่างนั้นแล้วเนี่ยเกิดโทษเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจแค่คิดนี่มันก็ทุกข์แล้วละ่ะเครียดแล้วละ่ะลุ่มร้อนนอนไม่หลับ ถ้าเกิดมีความคิดเกดแค้นหรือมีความโลภหรือไม่รู้จกักปล่อยไม่รู้จักวางของหายก็เสียดายกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคิดดีแล้วก็พูดดีด้วยนะอย่างน้อยๆก็ไม่พูดเท็จนะไม่พูดส่อสเสียดนะไม่นินทาว่าร้าย น, ะนีปกติคนเราเนี่ยมันก็มักจะอดไม่ได้นะเวลาไม่ชอบใครก็จะพูดนินทาว่าร้าย พูดสอเสียงแต่พอเราลึกถึงพระธรรมคำสอนถึงผู้เจ้าเนี่ยก็รู้ว่าทํานี้ไม่ถูกนีมันก็เป็นการเตือนไม่ให้ทําใจปล่อย ใ, ใจไปตามกินเลยแล้วความดีหรือผลดีเกิดขึ้นกับใครก็เกิดขึ้นกับเราเราไม่พูดไม่ทําอย่างนั้นหรือแม้แต่ไม่คิดเนี่ยเราก็มีความสุขใจเย็นใจแต่คือเราคิดเราพูดหรือลงมือทําด้วยนะ ทำด้วยอำนาจของความโลภอำนาจของความโกรธอำนาจของความเกลียดมันก็สร้างความขับแค้นใจสร้างศัตรูให้กับผู้อื่นเสร็จแล้วก็เกิดความไม่สบายใจเวลาเรารู้ว่ามีคนไม่ชอบเราเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะไม่สบายใจเพราะอยากให้คนชอบอยากให้คนชมแต่พระรู้ว่ามีคนไม่ชอบและมีคนเกลียดเรา พอเราไปทำไม่ดี <Eight> h, กับเขาเราก็สึกไม่สบายใจ <S <S <an> <S เห็นหน้าเขาเราก็รุมร้อนบางทีเกิดความระแวงกลัวเขาจะมาทำร้ายก <S an> ลัวเขาจะดินทาว่าร้ายตอบกลัวเขาจะด่ากลับเนี่ยเรียกว่าอยู่ร้อนนอนทุกข์เลยนะนั่นถ้าเกิดว่าเราเตือนใจอยู่เสมอว่าเราเป็นชอพูดชอพูด <S an> <N un> นะมันจะทำให้เราเนี่ยคิดดีพูดดีทำดีทาแต่เรื่องดีๆซึ่ง ใครที่ได้ประโยชน์ก็คือเรานั่นแหละอย่าง น, น้อยๆก็คือเราสงบเย็นสบายใจพ่อแม่ก็หรือลูกหลานก็มีความสบายใจนะถ้าเพียงแต่เราแค่ถือศีล5้าครบและยิ่งเราเราเป็นอบายามุขไม่เกี่ยวข้องกับการพ น, น, นันนะคนที่อยู่รอบข้างเช่นครอบครัวก็มีความสุขสังคมก็พอมีความสุขความสงบเย็นไปด้วยถ้าทุกคนเนี่ย ระ ล, ลึกถึงอยู่เสมอว่าฉันเป็นชาวพุทธนะฉันจะต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งนับถือเป็นสารณะเป็นพระบรมศาสดาส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราเกิดความรวภความเกวดความหลงเนี่ยเราลืมไปแลยวนะว่าเราเป็นชาวพุธนะทธเนี่ยบางทีลืมไปด้วยแม้่อทั้งว่าเป็นอ่เป็นพระเป็นแม่ชีนะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเพราะมันคิดแต่จะหาทางแก้แค้นหรือทาตามกิเลส แต่พอเตือนใจว่าเราเป็นชาวพุทธนาะมันมีแต่ความคิดอยากจะทําความดีไม่ทําตามใจกินเลยแล้วมันทําให้เราเนี่ยนะออมีความสมาร์สมคัคคีกันได้ง่ายเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่ไหนคนอีสานคนกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าชาวนาชาวไร่ ต่างกันโดยอาชีพแต่เหมือนกันคือเป็นชาวพุทธนะความเป็นเสมอเราเป็นชาวพุทธที่มันช่วยทําให้เราเนี่ยมองซึ่งกันและกันน่ยด้วยความรู้สึกกลมเกี่ยวมากขึ้นไม่ใช่มองด้วยสายตาที่แบ่งแยกอย่างนี้พอเราลืมว่าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยนะมันก็มีการมองกันมองคนอื่นด้วยความสื่อที่แตกแยกแตกต่าง ฉันเป็นคนชายภูมิเธอเป็นคนกรุงเทพแกเป็นคนผู้เก็ตนะกลายเป็นคนละพวกระบาระหรือว่าเป็นคนต่างชาติเป็นคนต่างภาษาแต่ที่จริงเนี่ยก็เป็นชาวพูดเหมือนกันนะ่ามันเป็นเรียกว่าทำให้เราเนี่ยเห็นซึ่งกันและกันเป็นพี่เป็นน้องมากขึ้นและถ้าเรา เราเรียกว่าเราเป็นชาวพุทธใสุดท้ายเราก็จะมองซึ่งกันและกันเป็นเพื่อนมนุษย์เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายจะต่างศาสนาก็เพื่อนร่วมทุกข์เป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายทั้งสิ้นมันก็จะมีแต่ความสึกเป็นเพื่อนอยังขยายความเป็นเพื่อนไปจนถึงแม้กระทั่งสัตว์น า, นานาชนิดสัตว์น้อยใหญ่ไม่ใช่สัตว์ที่น่ารักเช่นกระต่ายหมาแมวแม้กระทั่งงู นะแม้ทางแมลงป่องหรือว่าเสือก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายรามันมีแต่ความรู้สึกนะเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นเป็นี่เป็นน้องกันเรียกว่าเกิดความสามัคคีเกิดมิตรภาพนะร่วมก็จะน้าอยู่นะถ้าทุกคนเนี่ยมองกันเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเพราะนั้นก็หมั่นเตือนใจเรานะว่าเราเนี่ยเป็นชาวพุทธ แต่ก็จะยึดมั่นในความเป็นพุทธจริืมความเป็นมนุษย์ของเรานะเพราะถ้าเป็นพุทธแล้วมันก็จะรู้ว่าเราไม่ได้เป็นแค่มนุษย์แต่เราเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายในสังสารวัฏอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณคิดแบบนี้ใจมันก็จะสงบเย็นนะให้วันอาสาฬบูชาหรือว่าวันสําคัญในมุตสศาสนาเนี่ยอย่างน้นอยๆเนี่ยมันก็ขอให้เราเรื่องว่าเราเป็นชาวพุทธนะไม่ใช่แค่มาวัดมา ถวายสังฆทานแต่ว่าต้องเตือนใจให้ว่าให้เราลืมว่าเราจะต้องคิดดีพูดดีทดําดีรู้สึกตัวอยู่เสมออย่าเผลอให้ความโกรธความโลภความหลงมาครองใจจนลืมพระธรรมคำสอนนะจนลืมสํานึกของความเป็นผู้ที่เราต้องทําความดีนะมีศีลมีธรรมนะก็นุมโมทนานะที่พวกเราได้มาร่วมกันมาทําบุญเนื่องในวันนัสราบูชา ที่หลายคนก็ไปเที่ยวกันแต่ว่าเรามาทำความดีมาสร้างบุญสร้างกุศลมาอุปถัมภ์บรุงพระสงฆ์แม่ชีผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็น้อมใจมารับศีล น, นะลก็ขอให้เราตั้งใจในการที่ประพฤติปฏิบัติธรรมมากขึ้นและสำหรับคนที่จะมาเวียนเทียนนะวันนี้เราก็จะมีเวียนเทียนแต่จะเวียนเทียนด้วยต้นไม้นะ ตอนนี้เราอยากจะเชิญชวนให้ชาวพุทธเรามาเวียนเทียนกันในต้นไม้เพราะว่าจะได้ทั้งการระลึกถึงบุญคุณของพระพุทธองค์และการมาขอบคุณหรือบุญในบุญคุณของต้นไม้ที่ทำให้ที่ช่วยบำรุงพุทธศาสนาช่วยนำพาให้ผู้คนเกิดความสงบเย็นในจิตใจนะเกิดความสงบจนกระทั่งเห็นธรรมเริ่มต้นแต่พระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะนะ ซึ่งได้ได้เจริญได้เข้าถึงหรือว่าได้รู้แจ้งเห็นธรรมนะสำเร็จพระสามณะสมบทิญญาณได้ก็เพราะความร่วมรืม่รรรนรมมณีของธรรมชาติของต้นไม้นะจะเรียกว่ามีต้นไม้นะก็เลยมีพุทธศาสนาหรือมีการตัดสรวน ข, ของพระพุทธเจ้าก็ว่าได้เราก็มาระลึกถึงบนญคุณของต้นไม้กันนะเรื่องในวันอาซาลาบูชาและจะให้ดีก็นะ ช่วยกันปลูกต้นไม้เยอะๆสร้างจินนรมนี้ให้กว้างขวางตลอดอช่วงเทศกาลเขา้าพรรษานี้ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลที่เหมาะเพราะว่าเป็นฤดูฝน